วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสอง8ันห้ากสิบปดเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันมงคลเพราะจะมีการกระทา ที่เป็นมงคลก็คืออาศยวนาจ า, พารพานังบันดิตานันจะเศยวนาเอตัมมังกัลมุตตมังการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งคนพาลก็คือคนไม่ฉลาดหรือคนโง่บัณฑิต ก็คือคนฉลาดคนที่มีความรู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องคนพานเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงเช่นเห็นว่านาลกไม่มีสวรรค์ไม่มี การทำบุญการทำบาปไม่มีผลตามมาตายไปแล้วศูนย์ไม่มีการไปเกิดใหม่ไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดนี่คือทัศนคติหรือทิฏฐิความเห็นของคนไม่ฉลาดคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงส่วนบัณฑิตนี้เป็นผู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงของเขาเห็นว่าทำบุญแล้วตายไปจะได้ไปสวรรค์ทำบาป ก, ก็จะได้ไปนรกไปอาบายถ้ายังมีกิเลสตัณหา ยังทำตามความโลภตามความอยากต่างๆอยู่ก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือตรงกับความเป็นจริงบุญมีจริงบาปมีจริงบุญเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเมื่อร่างกายตายไปแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ทำบาปแล้วก็จะพาให้จิตใจไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอนุสรกายบ้างไปนรกบ้าง mm hmm. การนวัดนี้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าหาบัณฑิตบัณฑิตที่แท้จริงบัณฑิตที่ฉลาดที่มีความรู้ที่แท้จริงคือสัมมาทิฏฐิ ความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านก็จะอยู่ตามวัดวารามต่างๆถ้าเราเข้าวัดก็เท่ากับการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งนั่นเอง ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วเป็นเวลาอันยาวนานก็ตามแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ไม่ได้จากพวกเราไปพระองค์ยังเป็นศาสดาของพวกเราอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าได้ถึงแก่ความตายไปแล้วแต่พระศาสดานี้ ยังจะอยู่ต่อไปในรูปแบบของพระธรรมวินัยของพระธรรมที่เป็นสวากขาโตพระวตาธรรมโอธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วธรรมที่ได้ส่งแสดงไว้ตลอดระยะเวลา 45, สี่สิบห้าพันษาปีด้วยกันสี่สิบห้าปีด้วยกันวันหนึ่งก็แสดงสามสี่ครั้งด้วยกันธรรมที่ส่งแสดงไว้ ก็จะมีผู้จดจําบันทึกกันเอาไว้แล้วก็มีรวบรวมเอาไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกการเข้าศึกษาพระไตรปิฎกนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแล้วแต่พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา ศาสดาข อ, ของพวกเธอก็คือธรรมวินัยที่เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้เองที่จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปแล้วนอกจากพระพุทธพระธรรมแล้วเราก็ยังมีพระอริยสงสาวกพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ครองรักษาสัมมาทิฏฐิ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุนี้ให้อยู่คู่กับาศาสนาไปเรื่อยๆการที่เราได้เข้าวัดจึงถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้ศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งที่เป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่จะสามารถนำอาไปปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะบำบัดความทุกข์ต่างๆกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ถึงเรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลแปลว่าความสุขความเจริญของจิตใจไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญของร่างกาย เรื่องของโล ก, กธรรมคือลาบยศสารเสริญสุขเรื่องของร่างกายเรื่องของโล ก, กธรรมนี้เป็นเรื่องของตายรักเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยมเหมือนเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป อนัตตาเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะไปควบคุมบังคับหรือเปลี่ยนแปล ง, งการปรากฏการและการดับไปของสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปแต่อย่างไร <c oughs> แต่ก็อาจจะมีเป็นผลข้างเคียงหรือเป็นผลที่อาจจะได้อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้คือคนทําบุญทําความดีอาจจะไม่ได้รับความเจนนริญในลาบยศสารเสริญสุขก็ได้ในทางตรงกันข้ามคนที่ทําบาปทําความเชื่อ กับอาจจะได้รับความสุขความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำบุญนั้นผลที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปอาบายไปนรก ส่วนการเจริญในลาบยศสารเสริญมสุกนี้มันมีสาเหตุหลายอย่างด้วยกันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้มันเจริญและทำให้มันเสื่อมได้ซึ่งไม่อาจอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําดีหรือทําชั่วเลยก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องด้วยก็ได้บางคนทําชั่วแล้วก็ถูกจ็บไป ไปจับติดคุกติดตารางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และบางคนทําชั่วแล้วก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้แต่เราต้องเข้าใจเรื่องของกฎของตายรักว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าทําดีแล้วจะได้ความสุขความเจริญทางราบยศสารเสญสุขหรือว่าจะทำให้ร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่มีแต่เรื่องของบุญเรื่องของบาปที่มาทำให้เกิดความเจริญหรือเสื่อมทางด้านาลาภยศสารเสริญสุข นั้นถ้าเราอยากจะดูผลของบุญผลของบากนี้เราต้องดูที่ใจของเราเองเพราะใจของเรานี้เป็นผู้กระทำบุญและกระทำบาปผลที่จะเกิดขึ้นทันทีก็คือความรู้สึกภายในใจเวลาทำบุญนี้ใจจะเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมา อันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการทาบุญเวลาไม่ได้ทำบุญความสุขใจความอิ่มใจเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแต่พอเราทำบุญปั๊บเนี่ยใจเราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีอันนี้แหละเป็นผลของการกระทำบุญเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้ตายไปส่วนที่ตายไปนี้มันก็มีผลตามมา แต่ผลส่วนแรกก็คือผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันคือในในระยะเวลาเดี๋ยวนี้พบนี้ชาตินี้เลยทําบุญแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมาทําบาปแล้วใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถึงแม้จะได้สิ่งที่ได้มาก็ตามไปป้นธนาคารมาได้เงินได้ทองที่อยากได้มาแต่ใจก็เริ่มวิตกกังวล หวาดกลัวกับการถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไปลงโทษความทุกข์ใจความหวาดวิตกกังวลก็เกิดขึ้นมาทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องคอยหลบๆบซ่อ น, อนเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแม้เขาจะไม่ได้มาตามจับเราแต่ใจมันก็ทุกข์ไปแล้วเป็นเหมือนวัวสันหลัง ว, วัววัวที่มีแผลนี่ เวลามีมีมนกมีแมลงมาแตะที่แผลมันก็จะเจ็บส่วนวัวที่ไม่มีแผลนี่มันก็จะมีนกมีแมลงมาเกาะมันก็ไม่เจ็บฉันใดเวลาทำบาปแล้วใจจะมีแผลขึ้นมาทันทีพอมีอะไรมาแตะเท่านั้นแหละเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพียงแต่คิดถึงเรื่องที่อาจจะต้องถูกถูกจับไปลงโทษ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีหรือไปเจอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งดานไว้ก็ตกใจแล้วว่าเขาจะมาจับเราหรือเปล่าอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีจากการกระทำบาปอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลทําบุญแล้วก็ได้ความสุขทําบาปแล้วก็ได้ความทุกข์ แล้วความสุขแล้วความทุกข์นี้ยังไม่หายไปยังสะสมอยู่ในใจต่อไปแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญก็จะมีการสะสมบุญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจนี้เป็นเหมือนธนาคารธนาคารที่มีทั้งมีทั้งเงินฝากและมีเงินเงินกู้การกระทำบาปก็เป็นเหมือนกับการไปกู้เงินจากธนาคาร การทําบะการทําบุญก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารมันยังไม่ได้แสดงผลผลที่ได้ในปัจจุบันนี้มันเป็นเพียงผลเล็กน้อยคือความรู้สึกสุขทุกข์ผลที่มันจะแสดงต่อไปก็คือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอร่างกายตายไปแล้วหรือเวลาที่ร่างกายหลับ เวลาหลับนี่ก็เหมือนเวลาตายเหมือนกันเพราะร่างกายก็เหมือนคนตายตอนที่นอนหลับร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการทำอะไรทางตาหูจมูกริ้มกายไม่มีการดูลูปฟังเสียงโนมกลิ่นริ้มนสดสัมผัสกับอะไรต่างๆตอนนั้นเหมือนคนตายเมื่อใจไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหา รัหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสร็จได้ตอนนั้นสิ่งที่จะมาเป็นผู้ที่สร้างรูปเสียงกลิ่นรให้กับใจก็คือบุญและบาปที่ได้ทำเอาไวน้นี่บุญก็คือเหตุการณ์ที่ดีที่เราทำกันไว้เราไปทำคุณทำประโยชน์ไปช่วยเหลือไปพัฒนาไปให้ความสุขไปบรรเทาความทุกข์ความยากเดือดร้อน ของผู้อืน่นเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะมาปรากฏเป็นตัวเป็ น, เ ป, นเป็นความฝันเป็นความฝันดีขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าทําไปไปทำบาปมาไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายหเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างความท้อทรมารให้กับผู้อืน่นเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะฝังไว้ในใจ พอเวลานอนหลับหรือเวลาที่ตายไป mm. เหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมา mm. เป็นรูปแบบของความฝันร้ายฝันไม่ดี mm. นี่แหละคือนรกหรือสวรรค์หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วหรือในขณะที่ร่างกายพักผ่อนหลับนอนไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้มีการกระทำอะไรผ่านทางร่างกาย ตอนนั้นใจก็จะถูกอำนาจของบุญหรือบาปเป็นผู้ที่จะมาสร้างความฝันที่ดีหรือสร้างความฝันที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นไปในภายในใจอันนี้แหละที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็จะอยู่ในโลกของความฝันถ้าบุญมีอำนาจมีกำลังมากกว่าบาป บุญก็จะเป็นผู้ผลิตความฝันดีให้ได้เสพได้สัมผัสไปเรื่อยๆจนกว่าบุญจะหมดกำลังลงถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้ผลิตฝันร้ายให้กับใจได้ประสบได้สัมผัสไปเรื่อยๆจนกว่าบาปนั้นหมดกำลังหรือมีกำลังเท่ากับบุญ ช่วงที่บุญกับบาปนี้มีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถผลิตเรื่องดีๆให้จิตได้สัมผัส<ม>บาปก็ไม่สามารถผลิตเรื่องไม่ดีให้จิตได้สัมผัสรับรู้<ม>ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ดวงวิญญาณจะไปเกิดจะไปได้ไปได้รับร่างกายอันใหม่ถ้ายังไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดความอยากสามประการด้วยกันคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจถ้ายังมีกามตัณหาอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ต่อไปถ้ามีภาวะตัณหาคือถ้ามีความอยากจะเสกรูปฌานหรือรูปฌาน ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่มันจะไม่มาเสพกลางจะเป็นมนุษย์ที่ชอบออกววดชอบปฏิบัติธรรมชอบฝึกสตินั่งสมาธิหาความสุขจากการเข้ า, ารูปประชานหรืออรูปประชาน<ม><ม>คนที่มาเกิดในโลกนี้เราจึงสามารถแบ่งไว้เป็นสองพวกใหญ่ๆด้วยกันพวกที่เสพกลางกับพวกที่ไม่เสพกลาง ก็คือพวกนักบวชบรรพชิตทั้งหลายจะเป็นภิกษุภิกษุณีแม่ชีสัมมเนหรือบาศกอุบาศิกาคนเหล่านี้จะไม่เสพการจะถือศีลในขมมะคือการละเว้นการหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสพดทพชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลา ไปเสกความสงบที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาขึ้นอยู่ว่าจะมีพระพุทธศาสนามาสอนเรื่องปัญญาหรือไม่ถ้ายุบไหนไม่มีพระพุทธศาสนาการเจริญปัญญานี้ก็จะเกิดเจริญไม่ได้เพราะไม่มีใครสอนก็จะมีแต่การเจริญสติน<ก lige>ั่งสมาธิเข้าฌาน ขั้นรูปประชานก็ดีหรือขั้นอารูปประชานก็ดีแล้วก็จะมาสะสมบุญในรูปแบบของบุญหรือบาปสำหรับพวกที่เสพการนี้ก็จะมีทางใบสองทางด้วยกันคือทางทางบุญหรือทางบาปคนบางคนตายมาเกิดมาเกิดหลังจากที่ตายไปแล้วขึ้นมาจาก บ, บ่าย ขึ้มาจากการเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกใจพวกนี้ก็จะมีนิสัยทําบาปติดตัวมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>ก็ใช้การทําบาปนี้เพื่อไปหากร ม, มาเสดนั่นเอง<ม>อยากจะเสดการมไม่มีเงินมีทองก็ไปขโมยเงินทองก่อนเมื่อได้เงินทองแล้วก็ เอาเงินทองนี้มาเสพการไปซื้อสิ่งต่างๆที่อยากได้หรืออยากจะเสพร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้ก็อาจจะไปไปข่มขืนเขาบ้างหรือว่าไปทำผิดทำผิดประเพณผีผิดกรกามไปยุ่งเกี่ยวกับสามีของภรรยาของผู้อื่นนี่เป็นนิสัยของพวกที่มาจากอบายจะ จะมีนิสัยทำบาปติดตัวมาส่วนพวกที่มาจากสวรรค์พวกที่มาจากเทวดานี้เป็นพวกที่ไม่ทำบาปในขณะที่เป็นมนุษย์พยายามเลีกเลี่ยงการทำบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ชอบทำบุญมีเงินมีทางเหลือกินเหลือใช้ก็จะนํามาไปทำบุญไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้ อ, อน ดูไปสนับสนุนองค์กรที่ทำคุณทาประโยชน์ให้แก่โลกเช่นทำกับพระศาสนาทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลเป็นต้นนี่คือนักษณะของคนที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะแตกต่างกันไปเพราะกรรมเก่าอาดีตนั้นมีมาไม่เหมือนกันทำทำอะไรต่างๆมาไม่เหมือนกัน คนที่ทำบุญรักษาศีลไม่ทำบาปเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญรักษาศีลต่อไม่ทำบาปคนที่ทำบาปไม่ทำบุญเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญต่อทำบาปต่อไม่ทำบุญทำแต่บาปต่อไปแล้วเวลาตายไปก็จะไปอบายถ้าทำบาปถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ แล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาด<ม>บริสุทธิ์กำจัดความเหตุที่พาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไป<ม>ส่วนพวกที่ ม, มาจากสวรรค์ชั้นพรหมหรือชั้นอรูปปภมนี้<ม>เป็นพวกที่ ปฏิบัติสมาธิในขั้นรูปปัจจานและอรูปปัจจานเวลาตายไปก็จะไปเกิดถ้าได้รูปปัจจานก็จะไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นรูปปภมถ้าได้อรูปปัจานก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปปานสองชั้นนี้มีความสุขต่างกันชั้นอรูปปานนี้มีความสุขมากกว่าความสุขของชั้นรูปปาน สวรรค์ชั้นรูปรชานนี้ก็มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพแต่ไม่ช้าก็เร็วบุญเหล่านี้ที่ทํอาไว้มันก็จะหมดกำลังลงพอหมดกำลังลงมันก็จะพามันก็จะดึงดวงวิญญาณให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่เคยเข้าชาญ<ม>เข้ารูปรชาญก็จะไปอยู่แบบนักบวชเพื่อไปปฏิบัติ ให้จิตได้เข้าสู่รูปฌปานต่อไปพวกที่เคยเข้าอารูปฌปานได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นนักบวชแล้วอยู่แบบผู้ไม่ผู้ไม่ผู้คลองเรือนแต่เป็นผู้ที่ถือศีลยันอยู่แบบอุบาสกอุบาสิกาละเว้นจากการหาความสุขจากการเสกกรรมหาความสุขจากการเสพสมาธิแทนแต่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงชี้บอกให้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณนี้เกิดจากการมีกิเลสตัณหาครอบงาอยู่ในใจคือมีความอยากเสพกามพวกที่อยากจะเสพกามก็จะมาเกิดในกามมาพบเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสพกามกัน พวกที่เสบรูปประชาญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสบรูปประชาญมาปฏิบัติมาเจริญรูปประชาญพวกที่เสบรูปปชาญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเสอรูปปชาญก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเพราะยังมีความอยากมีภาวะตัณหาเคยอยากจะเสบ รูปฌานหรืออารูปฌานมีกามตัณหาอยากจะเสพกามซึ่งถ้ายังมีเหตุเหล่านี้อยู่ในใจใจก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้อันนี้จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราถือว่าเป็นบัณฑิต ที่สูงสุดเป็นคนเป็นคนฉลาดที่ฉลาดที่สูงสุดเพราะความรู้อันนี้เป็นความรู้สำหรับคนที่มีความฉลาดมากที่สุดถึงจะสามารถเข้าถึงความรู้อันนี้ได้ก็คือรู้อริย ส, สัจสีรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเกิดจากการอยากจะเสกกราม เกิดจากการอยากอยากจะเสพรูปประชาญอารูปประชานทร์เกิดจากการอยากมีอยากเป็นมีอะไรอยากคนที่เสพการก็อยากจะมีทรัพย์สมบัติมีความเจริญด้วยลาบยศเสริญและความสุขทางกางมารุมคนที่ได้รูปประชาญก็อยากจะได้ความเจริญในรูปประชานคนที่ได้อรูปประชานก็อยากจะได้รับความเจริญทางอารูปปัจจัน ถ้ายังมีความอยากมีความยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้อยู่จิตก็จะต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆการจะหาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปบวชแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ตัดความอยากการเสพกามเสียตัดความอยากที่จะเสพรูปประชานเสีย หลัดความอยากที่จะเสบารูปประชาญเสียหลัดความอยากการเสบกามด้วยการเจริญเนคขมมะคือการถือศีลแปดแล้วก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดมาหาความสุขจากรูปประชาญหรืออารูปประชาญแทนไปก่อนเพราะว่าการที่จะเลิกการเสบกามคุณห้าได้นี้จะเป็นที่จะต้องมี ความสุขทดแทนถ้าอยู่ดีๆจะให้เลิกเลยนี่มันทํายากเพราะใจมันจะมีความรู้สึกหงุดหยิดเจ้าซ้อยง่อยเงาเวลาที่ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆแต่ถ้ามีการเสบรูปประชานเลือดรูปประชานม า, มาทดแทนได้ใจก็สามารถที่จะเลิกเสพกามได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดได้ ดังนั้นเบื้องต้นจําเป็นที่จะต้องอาศัยความสงบจากรู่ประชานหรืออรูปประชานมาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะให้ใจมีกําลังที่จะเลิกเสพกามได้เวลาที่อยากจะเสพกามเช่นวันนี้วันพระก็หยุดการเสพกามไว้หนึ่งวันก่อนสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่ๆสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเลิกเสพกาม พระพุทธเจ้าก็กำหนดวันพระขึ้นมาวันพระวันธรรมสวรรค์เนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าบอกว่าให้หยุดเสพกามหนึ่งวันได้ไหมเลิกหาความสุขจากการเสพรู ป, รป เ, เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแล้วเปลี่ยนมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบะจะเป็นความสงบระดับรูปฌานก็ดีหรืออารมูปฌานก็ดีได้ทั้งสองระดับขึ้นอยู่กับกําลังสมา กำลังสติของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะมีสติมากสามารถเข้าถึงความสงบของอารูปฌานได้ก็ได้ถ้ายังเข้าไม่ถึงรูปฌานอารูปฌานแต่เข้าได้ในระดับรูปฌปานก็ใช้ได้เหมือนกัน mm hmm. ขอให้เข้าสู่ตั้งแต่รูปฌปานสี่ขึ้นไปจิตก็จะมีความสุขมีอุเบ mm hmm. กขาจะไม่รู้สึหกหงุดหงิดไม่รู้สึกเศร้าซ้อยงอยหเหงาว่าเว เวลาที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ถ้ามีแต่แต่ถ้ามีแต่ถือศีลพยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ยังไม่มีความสุขทดแทนมาทดแทนคือยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้การปฏิบัติช่วงแรกๆนี้ก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานแต่ถ้ามีศรัทธาความเชื่อแน่วแน่ว่าวิธีการนี้ที่พระเจ้าทรงสอนนี้ เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงได้อย่างถาวรก็ต้องมีความเพียรพยายามอย่างน้อยเริ่มต้นที่วันพระทุกวันพระก็จะเลิกทำงานหยุดทำงานไปเข้าวัดกันไปหาที่สงบไปฝึกสติไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปละเว้นการเสกลูเสียงกลิ่นลดพลัทธะ ด้วยการถือศีลแปดแลาเว้นการหาความสุขจากการนุ่มหลับนอนกับคู่ครองของตนลาเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตรับประทานตามความอยากให้รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ให้รับประทานอาหารเพื่อดับความหิวของร่างกายก็พอก็คือไม่ต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนรับประทานเพียง ก่อนเที่ยงวันก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่กินอาหารไม่ดื่มเครื่องดื่มต่างๆถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการจากเครื่องดื่มก็คือน้ำเปล่านี่ส่วนรูปกลิ่นรสของของน้าที่กับของเครื่องดื่มนี้มันไม่มีประโยชน์นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วมันเป็นการเสพกามด้วยเสพรูปเสียง เสพกลิ่นของเราเห็นเราเห็นเครื่องดื่มแล้วก็อยากจะเสพรูปของเครื่องดื่มว่าอยูแลน่ากินน่าดื่มไหมเ <_ d ream> มื่อน่ากินน่าดื่มแล้วก็อยากจะสัมผัสกับกลิ่นมันว่าหอมไหม <_ d ream> อยากจะสัมผัสกับรสว่าอร่อยไหมเป็นต้นถ้าเราดื่มเครื่องดื่มด้วยอาการเหล่านี้แสดงว่าเรายังเสพกลางอยู่ถ้าผู้ที่อยากจะละเว้นการเสพกลามตามหลักของแนว ในขมมะคือไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเลยนี่ถ้าหิวน้ําก็ที่เดิมแต่น้ําเปล่าไปเพราะน้ําเปล่านี้ไม่มีรูปไม่มีสีสันไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีรสรสหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเป็นเป็นต้นก็จะจะได้ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางเครื่องดื่มด้วยดื่มแต่น้ําไปเพราะร่างกายขาดน้ําไม่ได้ เหมือนกับขาดลมหายใจไม่ได้เพราะร่างกายเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสีก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟการที่ร่างกายจะอยู่ต่อไปได้อย่างไม่ตายก่อนเวลาก็ต้องมีธาตุสีคอยป้อนเข้าไปอยู่เรื่อยๆเช่นธาตุลมก็ต้องมีการหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆขาดธาตุลมไปเพียงไม่กี่นาทีก็ตายได้ ธาตุน้ําก็ต้องมีคอยเติมน้ําให้ร่างกายอยู่เรือเวลาร่างกายมีความรู้สึกหิวน้ําอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกของร่างกายว่าตอนนี้กําลังาขาดธาตุน้ําต้องเติมธาตุน้ําให้กับร่างกายแล้วส่วนเวลาที่ร่างกายหิวอาหารก็เป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้ร่างกายขาดธาตุดินอาหารส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากธาตุดินเช่นข้าวผักเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าเป็นธาตุดินที่ร่างกายต้องการต้องมีการเอาเข้าอยู่เรื่อยๆท่านไฟก็คือความร้อนของร่างกายก็ต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าอากาศหนาวเย็นความร้อนก็จะตาน้อยลงไปก็ต้องหาอะไรมาห่มร่างกายหรือถ้ามีเครื่องทําความร้อนก็ต้องใช้เครื่องทําความร้อนมาเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายนี่คือการเติมธาตุให้กับร่างกาย จำเป็นจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติผู้ที่ถือศีลแปดหรือไม่ถือศีลแปลก็ตามจำเป็นยังต้องมีการเติมธาตุอยู่แต่ให้มีประมาณของการเติมและไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรส mm hmm. กินอาหารก็อย่าไปกินเพื่อความอ ร, อร่อยเพื่อรสิเพื่อรูปรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารดื mm hmm. ่มเครื่องดื่มก็เหมือนกันดื่มน้ำ ก็รหลือน้ำเปล่าไปอาหารก็หลังจากเที่ยงวันแล้วก็ถือว่าเราเติมธาตุดินให้กับร่างกายพอแล้วเติมอาหารให้กับร่างกายพอแล้วร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไปจนถึงวันพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนนี้ก็คือการการละเว้นการเสพกามศีลที่หกก็ละเว้นการเสพการผ่านทางการรับประทานอาหาร แล้วก็เสียงข้อเจ็ดก็ให้ละเว้นการดูเสบรูปเสียงกีดลดในรูปแบบของละครบ้างของการบันเทิงบ้างแม้ท่านเรื่องของการเมืองการบ้านการอะไ ร, ะไรต่างการงานต่างๆก็ต้องตัดไปหมดเพราะมันจะทําให้ใจกงสร้างได้จะทําให้ใจไม่สงบการเสพกา ร, รนี้มันจะทําให้ใจไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอดูชั่วโมงหนึ่งก็ไม่อิ่ม ดูสองชั่วโมงก็ไม่อิ่มดูสามชั่วโมงก็ไม่อิ่พอไม่ได้ดูก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวขึ้นมา <c oughs> ต้องพยายามหาข้ามจิตใจในวันที่เรามาถือศีลแปดกันว่าวันนี้เราจะห้ามใจเราไม่ให้ไปเสพการทางตาหูจมูกลิ้นกายหนึ่งวันแล้วเอาเวลามาเจริญสติมาคอยควบคุมความอยากเพราะความอยากเหล่านี้มันจะคอยดึงให้เราไปหา รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราจเจริญสติสามารถควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ใจก็จะไม่เืมีความรู้สึกอยากจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสแต่อย่างใดใจมีความสุขจากการจเจริญสติจากการนั่งสมาธิอันนี้เป็นสีลข้อ7กวมวไปถึงการไม่เสริมสวยความงามของร่างกาย ร่างกายมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาควรเสริมสวยความงามหรอกเพราะถ้ามองดีๆร่างกายก็คือสรางศพที่ยังเดินได้อยู่นี่เองสร้างศพมาจากไหนคนตายมาจากไหนคนตายก็มาจากคนเป็นแล้วคนเป็นกับคนตายมันต่างกันตรงไหนมันก็ต่างตรงที่คนเป็นยังมีลมหายใจอยู่แต่คนตายหยุดหายใจแล้วท่านนี่พอพอร่างกายหยุดหายใจร่างกายมันก็จะเริ่มเกิด อาการบูดเน่าเสียขึ้นมามันก็เลยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะขึ้นมาเะตั้นเราจะเอาเสื้อผ้าราคาแพงๆชุดละล้านชุดละกี่ล้านมาใส่มันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายมันหายจากการเป็นอสุภะกายหายจากการไปเป็นสรางศพไม่ได้มันก็ยังเป็นสร้างศพเดินได้อยู่ดีๆนี่เองแต่ความหลงคือมิจฉาทิฏฐินี่ มันหลอกให้เราคิดว่าโอ้ยพอเราได้ใส่เสื้อผ้ามีชุดราคาแพงๆเรานี่ร่างกายของเรานี่จะกลายเป็นร่างกายของนางฟ้าของเทวดาไปความจริงมันก็ยังเป็นซากศพดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามันยังหายใจได้ถ้าไม่เชื่อลองนึกถึงอาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายนี้ดูตอนนี้ร่างกายของเรามีกระดูกไหมมีเนื้อมีเอ็นไหมมีตับมีไต มีปอดมีหัวใจมีลำไส้หรือเปล่ามีอาหารใหม่อาหารเก่าหรือเปล่ามีน้ําอะไรต่างๆหรือเปล่าน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ําำสเลดมันมีอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่มองมันเลยมองไม่เห็นมันเราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายของเรานี้สวยงามน่าดูหน้าชมต้องการเสริมสวยความน่าดูหน้าชมก็เลยต้องมีการใช้เครื่องสมางต่างๆ มีการทำเผ่าทำผมมีการเสริมด้วยเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆเขารู้สึกว่าเสื้อผ้าราคาแพงๆนี้มันดูแล้วมันเหมือนจะทำให้กายเป็นเทวดากายเป็นนางฟ้าไปอันนี้คือความหลงของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี้อยรู้อยู่เรื่อยๆ ร, รู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้มันเป็นซากศพดีๆนี่มันรอเวลาให้เป็น ซากศพที่สมบูรณ์อันนี้มันยังเป็นซากศพที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีลมหายใจอยู่พอเวลาใดที่ร่างกายนี้หยุดหายใจเมื่อไหร่ร่างกายนี้จะกลายเป็นซากศพที่สมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเราให้เป็นคนที่เราลักมากน้อยขนาดไหนก็ตามถ้าลองเป็นถ้าลองตายเสีย ต, ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้รับประกันได้ว่าจะไม่มีใครจะเอาเก็บไว้ในบ้านนะเคยนอนด้วยกันเคอยอยู่ด้วยกันนี่ เวลามีลมหายใจนี่รักและห่วงและห่วงกันพอไม่มีลมหายใจเขานั้นยกให้สับเหลิอกไปได้อย่างง่ายดายเลยไม่ต้องไม่้องให้เขามาขอไปเราจะโทรรศัพท์ไปเรียกเขามาเลยว่าช่วยมาเอาศพไปหน่อยเถิดนี่แหละคือร่างกายของพวกเราทุกคนที่เราหลงกันที่คิดว่ามันสวยมันงามมันน่าดูน่าชมแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือซากศพดีๆนี่เอง เพงแต่ว่ามันยังไม่เป็นซากศพที่สมบูรณ์รอให้มันหยุดลมหยุดหยุดหายใจเมื่อไหร่ท่านน่ะเป็นซากศพขึ้นมาทันทีเลยต่อให้รักกันขนาดไหนก็ตามเถิดพอไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเก็บมาไว้ในบ้านอย่างแล้วไม่อยากจะให้อยู่ด้วยกันอย่างแล้วเพราะรู้ว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆต่อไปมันก็ต้องส่งกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมานั่นเองนี่คือสภาพของร่างกายที่เราไม่ควรที่จะไปหลงไหล ด้วยการเสริมสวยความงามด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องสําอางใช้การตกแต่งใช้เสื้อผ้าอผอ์ต่างๆเหล่า น, นี้นี่คือศินสินข้อเจ็ให้แต่งกายแบบเรียบง่ายเหมือนยาาผ้ามาหอ่อศพเวลาคนตายนี่เขาจะมีผ้าขาวมาหอ่อศพพวกที่มาถือศิลแปะเขาก็เลยใส่ชุดขาวกันชุดขาวก็เหมือนผ้าหอ่อศพดีๆนี่ จะได้เตือนเราเตือนสติให้พวกเรารู้ว่าเรากำลังหอศพนี่เราใส่ชุดขาวนี่ชุดขาวก็คือผ้าห่อศพหรือผ้าของพระที่ก็เหมือนกันผ้าของพระสมัยก่อนก็ไปเอาผ้าห่อศพมาทำเป็นจีวรพระพุทธเจ้าสอนให้พาไปหาผ้าไปชักผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพผ้าป่าที่ทิ้งไว้ในป่าช้า เวลาคนตายสมัยก่อนเขาจะเอาผ้าขาวนี่มามามัดมาหอ่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าปล่อยให้มันเน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินไปหลังจากนั้นพระก็จะไปเก็บผ้ามาซักมาย้อมแล้วก็มาตัดมาเย็บให้เป็นจีวรผ้าจีวรของพระก็คือผ้าผ้าหอ่อศพนั่นเองผ้าของสุอุบาสกอุบาสิกาก็คือชุดขาวก็เป็นเหมือนผ้าหอ่อศพเหมือนกัน นี่แหละคือความจริงของร่างกายของพวกเราที่เราไม่คิดกันหรือไม่ยอมมองกันว่ามันเป็นเพียงซากศพดีๆนี่เองแต่เราไปหลงรักกันไปเป็นบ้ากันไปฆ่าฟันกันเพื่อร่างกายอันนี้กัน<ม>ข่าวข่าวแต่และเรื่องก็มีแต่เรื่องการต่อสู้ฆ่าฟันแข่งแย่งชิงดีร่างกายอันนี้กันทั<ม>้งนั้นไปแข่งแย่งชิงดีเอาซากศพมามาเป็นสมบัติกัน แล้วพอเป็นสมพอเป็นซากศพเต็มเต็มร้อยปั๊บเมื่อไหร่ก็โยนทิ้งทันทียกให้สักประเลยไปทันทีเอาเอาไปให้วัดทันทีเอาไปฝังไว้ในสุสานทันทีไม่มีใครต้องการเลยในขณะที่มันเป็นซากศพขึ้นมา <S S S <c oughs> นี่แหละคือเวลาที่เราถึงศีลแปดให้เรานึกถึง <c oughs> เวลาที่เราอยากจะเสริมสวยความงาม <c oughs> ของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรวิจิตพิสดาร ไดเราู้ว่าเราเสียเงินไปเปล่าๆเอาเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆเพื่อมาห่อศพดีๆนี่เอร่างกายนี้เพียงแต่ว่าเปนยังเป็นศพที่ยังหายใจได้เท่านั้นเองอ น, นี่คือเรื่องของการละกามหาความสงบจากการ ม, มารมรูปเสียงกิดรดเสื้อผ้าพรก็เป็นกามอย่างหนึ่งรูปเสียงกิดรดของเสื้อผ้าก็เป็นการ ม, มารมอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องการจะเสกกัน แลสินข้อ8ก็คือให้นอนน้อยให้นอนเท่าที่ร่างกายต้องการคือพักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายซึ่งปกติร่างกายนี้คือหนึ่งได้นอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วถ้าแต่ถ้านอนบนเตียงที่สุขที่สบายมีฟูกหนาะๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเพราะได้นอนบนฟูกหนาะๆฟูกที่สบายก็จะขอนอนต่อไปอีก หลาช่วโมงด้วยกันจะทําให้สูญเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะเอามาใช้ในการสร้างสติสร้างสมาธิเพื่อที่จะได้เอามาใช้เป็นความสุขทดแทนความสุขทางการมโลมต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดเบื้องต้นต้องการตัดกามตันหาก่อน ขัดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการใช้สมาธิความสุขของสมาธิไม่ว่าจะเป็นความสุขระดับลู ป, ประชานก็ได้หรือระดับอารูปประชานก็ได้ใช้ทดแทนกันได้สองอย่างนี้เป็นสมาธิเหมือนกันแล้วแต่ว่าผู้ปฏิบัติมีความสามารถจะเข้าสู่สมาธิในระดับไหนถ้าเข้าสู่ระดับอารูปประชานได้ก็ใช้อรูประชาน ถ้าเข้าสู่ระดับรูปประชานก็ใช้รูปปานเพราะว่ามันให้ความสุขใกล้เคียงกันมากน้อยต่างกันแต่เป็นความสุขที่สามารถมาทดแทนความสุขที่จะได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้ถ้ามีความสุขจากการเข้าสมาธิได้การไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดก็จะเป็นไปได้อย่างงไไ่ายดายจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเวจะไม่รู้สึกซึมเศร้า เวลาที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะมีความสุขที่ได้จากการเสพความสงบของใจด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธินั่นเองนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำถ้าเราอยากจะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการมาเกิดแต่ละครั้งนี่มันมาเกิดแล้วมันต้องมาเจอกับความทุกข์ในอริยาาสัจสีท่านก็บอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บ ใขรได้ป่วยเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์การพัดภาคจากการเป็นทุกข์การต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบเป็นทุกข์เป็นต้นอันนี้แหละคือผลที่จะเกิดจากการเกิดและเหตุที่พาให้เราเกิดก็คือกามะตัญหานี่ถ้าเราตัดกามะตัญหาได้นี่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาภพละไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้อง ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไมเพราะเราจะไม่มีร่างกายของมนุษย์มาเกิดนั่นเองถ้าเราตัดการมการมาตัณหาได้เพราะว่าการมาตัณหานี่มันต้องการรูปเสียงกดลิ่นรสเสพและการจะเสพรูปเสียงกดลิ่นรสด้วยก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายการจะมีตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องมีร่างกายก็ยังต้องกลับมาเกิดถ้ายังมีการมาตัณหาอยู่ยังมีความอยากจะเสพกามอยู่ ก็ต้องมามาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้ที่เรามีอยู่เดี๋ยวมันก็ต้องตายไปตามกาลตามเวลาของมันเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทางธรรมชาติคือการผสมปรุงแต่งของธาตุสีดินน้ำลมไฟซึ่งวันหนึ่งมันก็จะยุติมันก็จะมีวันสิ้นสุดลงอันสิ้นสุดลง ใจก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกินรสต่อไปได้ใจก็ต้องทิ้งร่างกายไปแล้วก็ไปรอรับร่างกายอใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ก่อนพอะผลบุญผลบาปไม่มีกำลังแล้วถึงจะมารับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาทุกกับร่างกายอันใหม่ตั้งแต่เกิดเลย เกิดก็ต้องหายใจเองนะแล้วก็ต้องต้องกินเองต้องดื่มน้ำเองอะไรเป็นต้นแล้วก็ต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เด็กเด็กบางคนเกิดมาไม่ได้ไม่กี่วันก็มีโครคภัยไข้เจ็บติดตัวมาบางคนก็มีโรคหัวใจมาก็มีหัวใจไม่สมบูรณ์ทำงานไม่เต็มที่เด็กไม่เพียงไม่กี่เดินก็มีโรคหัวใจที่ที่หมอต้องมารักษา ม, มาผ่าตัดเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดเลย มันมีทุกหลายรูปแบบด้วยกันการเกิดนี่ทุกจากการที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงดูร่างกายทุกที่จะต้องคอยปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้ถูกภัยอันตรายต่างๆมาคุกคามแล้วก็ต้องมาทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆทุกข์กับการดิ้นรนต่อสู้ทุกข์กับการที่จะต้องไปเรียนรู้วิชาการต่างๆเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ เพื่อที่จะได้เอาไปทํามาหากินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องทุกกับการไปทำมาหากินอกีกนี่แต่เรื่องทุกข์ตลอดเวลาเลยนอกจากคนบางคนที่อาจจะมีบุญเก่ามาทําบุญเก่ามาเยอะมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีก็ไม่ต้องดิ้นหลนมากไม่ต้องต่อสู้มากมีพ่อมีแม่มีกําลังทรัพย์ที่จะคอยจ้างคนนั้นจ้างคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอํานวยความสะดวกให้ก็ตาม แต่มันก็ยังมีทุกข์ที่เงินทองไม่สามารถป้องกันได้อยู่<ม>โครคภัยไค่เจ็บนี้เงินทองก็ป้องกันไม่ได้<ม>เวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บได้คนรวยคนจนก็เจ็บได้<ม>อันนี้ก็คือให้เราเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นความทุกข์<ม>และเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยากเสพกา ม, มถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราต้องไปหยุดการเสพกามให้ได้เพราะตัว กรมนี้เป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันและการที่จะไม่เหตุกรรมได้เราก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอามาปฏิบัติก็คือให้เรามาเจริญเนคขมมะกันมาถือศีลแปกันมาอยู่แบบนักบวชกันเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิ จะเป็นรูปประชาญก็ได้อารูปประชานก็ได้ mm. นี่แหละคือสิ่งแรกที่พวกเราต้องการต้องต้องทำถ้าเราอยากจะยุติการเงินว่ายตายเกิดขั้นต้นเราก็หยุดการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไว้ก่อน mm. แต่เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมต่อไปเพราะว่าเรายังไปติดกับสมาธิอยู่เ mm. พราะเราใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการหยุด การเสพการเสพลูกเสียงกินลดเราก็เลยไปติดความสุขจากสมาธิแต่พอเราละการเสพความสุขของกามได้แล้วเราก็ต้องมาละการเสพความสุขของสมาธิเพราะความสุขของสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขมันก็ยังมีความทุกข์ทุกอยู่ซ่อนอยู่เหมือนกันถึงแม้จะไม่ทุกข์มากเหมือนกับความทุกข์ที่ได้จากการไปเสพกามก็ตามแต่มันก็ยังเป็นความทุกข์ในใจอยู่ เวลาใจไม่สงบเวลาใจไม่ได้เข้าสมาธิใจมันก็ยังมีความทุกข์เพราะมันมันอยากจะมีความสงบจากสมาธิแต่มันยังไม่ได้มีเวลาเข้าไปในสมาธิมันก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ถ้าไม่ต้องการให้ใจมีความทุกข์ไม่ต้องการให้ใจกลับมาเกิดในภพอีกสองภพด้วยกันน การินว่ยตายเกิดนี้มีแบ่งไว้สามภพการมาภพก็คือภพของผู้ที่เสพกรามรูปภพก็คือภพของผู้ที่เสพรูปประชานและอรูปภพก็คือภพของผู้ที่เสพอรูปประชานรูปภพก็คือภพของรูปประพรมผู้ที่เสพรูปประชานอรูปภพก็คือภพของอรูปประพรมภพของผู้ที่เสพอรูปประชานถ้ายังมีความอยากเสพรูปประชานหรืออรูประชานอยู่ ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในรูปะภพอารูปะภพอยู่แล้วก็ต้องกลับมาเหียนว่ายตายเกิดเีนต้องกลับมาแ ต, แต่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าสามารถหยุดตัดความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดได้แต่ก็จะ ก, กลับมาเป็นผมอยู่ไปเรื่อยๆไปก่อนจนกว่าจะสามารถละความอยากเสพ ร, รูปประชานหรือลูก ป, ประชาได้ด้วยการมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิ อันนี้จะรู้ได้ก็ต้องมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นถึงจะรู้ว่าการติดสมาธินี้ก็เป็นเป็นเหตุที่จะทําให้กับยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในรูประพบอรูประพบได้ไดอยู่ถ้าไม่อยากจะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในรูประพบก็ต้องมาตัดความอยากเสกรูปประชานและอรูปประชานความรู้อันนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้านั่นเอง เพราะว่าพวกที่เสบรูปประชานหรือรูปประชานนี้เขาก็จะติดอยู่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรู้อริยสัจสีนี้พวกนัก<ม>พวกนักบวชที่ปฏิบัติรูปประชานหรือรูปประชานได้เขาก็จะติดรูปประชานหรอรูปประชานเวลาที่จิตเขาไม่สงบเขาก็จะเข้าไปในเข้าไปในรูปประชานเข้าไปในรูปประชาน้วยความติดในรูปรรประชานหรือรูปประชานนี้จึงทําให้เขายังต้องติดอยู่ในไตพบอยู่ อยู่ในรูปภพหรอือารูป์ภพอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดในภพของผมอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มันเจอพระพุทธเจ้าเจอคําสอนเจอบัณฑิตเจอคนฉลาดบัณฑิตก็คือบัณฑิตที่แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์รู้วิธีตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปได้อย่างอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้ตัดการมาตัญหาแล้วต้องมาตัดตัดความอยากเสพรูปประชานหรือความอยากจะเสพอรูปประชานต่อไปถ้ายังติดสมาธิยังติดความสุขของสมาธิยังต้องเข้าสมาธิเพื่อหาความสุขอยู่ก็ยังจะต้องกลับมากลับมาเกิดในในกามในรูปภพหรืออรูปภพอยู่เรื่อยถ้าไม่อยากที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องละ การเสบรูปประชานหรืออรูปประชานเพื่อที่ใจจะได้เข้าสู่ความสงบของพระนิพพานได้สิ่งที่ขวางการเข้าของพระนิพพานก็คือความอยากในการเสพรูปประชานหรืออรูปประชานนี่ผู้ปฏิบัติเมื่อได้ละกามกามาตัณหาความอยากเสกกามได้แล้วก็จะมาติดอยู่กับการเสพรูปประชานหรืออรูปประชานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอก ส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่ตรงนั้นต่อไปแต่มันยังไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกที่เข้ารูปประชานหรือเข้ารูปประชานโดยโดยไม่ได้ใช้ปัญญาล ะ, ะละกามกา ม, มาตัญหาก็ยังตะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ถือว่าเป็นผ้านาคามียผ้านาคามีนี้เป็นผู้ที่ละกา ม, มาตัะหาได้ด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่ากา ม, มาตัญหานี้เป็นทุกข เพราะมันไม่เที่ยงเป็นตายรักแต่พวกที่เข้ารูปประจานหรือรูปประจานได้นี้เขายังไม่ได้ใช้ปัญญาเขาใช้เพียงแต่สติเวลาเกิดความอยากจะเสพกามกเขาก็เข้าสมาธิแทนใช้สติทําใจให้สงบกามาตัะหาก็ยังอยู่ในใจของเขาอยู่ยังไม่ตายด้วยกําลังของสมาธิพวกนี้พวกที่เข้ารูปประจานหรือรูปประจานได้แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้กําจัด การมาตัณหาด้วยปัญญาเขายังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่กลับมาเกิดเป็นนักบวชกันพวกอย่างอาจารย์สองรูปที่ของพระเจ้าที่ตายไปก่อนพระพุเจ้าจะตรัสรู้เขาก็เข้าเข้ารูปประชานได้อารูปประชานได้แต่เขาไม่ได้มีปัญญาที่เห็นว่าการเสดการนี้เป็นทุกข์เพราะว่าเป็นเป็นตายลักเขาไม่เห็นอันนี้การของเขาก็ยังมีอยู่ ก็ยังมีกามอยู่กามนี้ก็ยังจะพาให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแทนที่จะมาเสพกามก็จะไปเสพรูปประฌานหรืออรูประฌานแทนตามนิสัยเดิมต่อไปแต่สําหรับพวกที่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ากามตัณหานี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นใจรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันเป็นมันทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้ให้ความสุขตลอดเวลามันต้องมีเวลาที่มันไม่มี การให้ความสุขแล้วมันจะให้ความทุกข์แทนพอ เ, เห็นด้วยตายลักมันถึงจะหยุดเลิกเสพกามได้พวกนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอีกเพราะพวกนี้จะเป็นนาคามีคือสามารถเลิกกามได้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตายลักพวกนี้แต่ก็ยังไปติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่แล้วก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาให้เห็นว่ารูปฌานหรือรูปฌานก็เป็น เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นตายรักเหมือนกั น, เ ป, น, ก เ, น, กนเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมีเจริญมีเสื่อมเป็นณนัตตาที่เราไม่สามารถสั่งให้มันสงบได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะให้ใจสงบนิ่งไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับอะไรก็ต้องละความอยากทั้งสองนี้ละความอยากเสพรู ป, ประชานหรือละความอยากจะเสพรูกประชานพอละได้แล้วทีนี้ใจก็จะตัดตายพบ ออกไปจากใจได้หมดจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในในสังสารวัฏอีกต่อไปจะเข้าสู่พระนิพพานไปเมื่อได้กําจัดกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการเจริญปัญญาด้วยการเห็นว่าพบทั้งสามนี้เป็นอนิจจังทุกขังของนัตตา น, นั่นเองนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตคือหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ที่เป็นบัณฑิตที่แท้จริงมีความรู้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดก็คือพวกที่จบปริญญาต่างๆในทางโลกนี้มีความรู้เก่งกาจทางด้านวิชาการต่างๆแต่ความรู้เหล่านี้ท่วมหัวตัวเองแต่ไม่สามารถมาดับความทุกข์ของตนเองได้เอาตัวรอดให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ แต่ความรู้ของพระของบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นความรู้ที่เอามาดับความทุกข์ต่างๆได้หมดไปยังถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงผู้ที่รู้ความรู้เหล่านี้ก็ต้องถือว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงการได้พบกับบัณฑิตที่แท้จริงจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่ก็คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยทถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกับปฏิยติตังปฏทิตังตุมหังค um ิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันททปนาระโูยทถามณิโชติ ภราสุยทาสภิติยวิวัจชันตุสัพโรโควินสศตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีติขายุโกภวาอภิวาตนาสีลิษะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารธรรมอาวัตันติอายุวันโอสุขัง ลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยาเพราะว่าเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคําถามหลังจากเรื่องแล้วจะต้องขออภัยที่ไม่สะดวกที่จะตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กาบเปลี่ยนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติ193ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ207ท่านทาง YouTube, ดกเรท่านทางวิทยุออนไลน์12ท่านทางขับเฮ o u ์ e 5ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ หนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดทันรวมทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านครับอืวันนี้คงมีกข่าวไม่ดีมั้งคนเลยตื่นเต้นตกใจกนะันนะหายไปเกือบครึ่งสงหามีเอ า, เอาอมอาขอครับการเรียนหลวงพ่อครับครับ ผมอยากมีคำถามครับกับหลวงพอ่อมีช่วงหนึ่งที่กับผมอะครับเดินเดินจงกรมแล้วก็พิจูดีก็เกิดการพิจารณาของเรื่องการอะครับคราวนี้พอพิจารณาของเรื่องการแล้วอะครับมองเห็นความเป็นโยงใหญ่่ะครับซึ่งมาคล้ายๆของต้นไม้อะฮะว่ามันเป็นทุกข์อะครับพอมเป็นทุกข์พิจารณาไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วอะมันไม่เหมือนทุกครั้งตรงที่ว่าจิตมันกลัว แล้วมันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันเกิดภาพนิมิตขึ้นมาระหว่างที่เดินนะครับซึ่งก็ตกใจว่ามันเหมือนแบบเป็นแผ่นดินแยกครับระหว่างเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวกลามอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็รู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเหมือนมันแยกมันขาดจากกันคราวนี้เราก็มีความคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่มโนภาพหลังจาก เหตุการณ์วันนั้นนะครับก็สังเกตดูจิตเองตลอดเวลาปรากฏว่าตัวกลามเนี่ยฮะไม่เกิดขึ้นที่ใจอีกเลยแบบนี้แล้วกลายเป็นว่ามีความรู้สึกหวงหวงสิ่งที่เกิดขึ้นครับพระอาจารย์แบบว่ามันเป็นความสงบอะครับไม่อยากเขาไปยุ่งตรงนั้นมันแยกออกให้เห็นอาการแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวตนที่ไปยึดเกาะ อ, อะไรบางอย่างหรือเปล่าครับก็มันเป็น ผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของเรามันอยู่ที่เราว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ได้หรือไม่ประโยชน์ก็คือเราเลิกเสพกลางได้หรือเปล่าในเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราไปบวชได้หรือเปล่าถ้าอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่ไปทำไมไปอยู่แบบนับบวชไม่ดีกว่าหรออยู่แบบไม่เสพมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรอย่างไรให ดูว่าเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์หอได้หรือไม่ดีกว่าถ้าเรามาใช้ได้เลิกเสพการมได้ถึงแม้จะไม่บวชก็ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวได้ไม่เศร้าไม่เหงาไม่ไม่ lonely อารมณ์ตอนนี้ l o n เพราะฉะนั้นอยู่เปลาเปลี่ยวเดียวได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกซึมเศร้ามีแฟนไม่มีแฟนไม่เดือดร้อนถ้าอนีได้ก็ก็เป็นปัญญาเห็น เห็นว่าความอยากในกามนี้เป็นทุกข์เลิกอยากเลิกพอเลิกความอยากนี้ได้แล้วความทุกข์ก็หายไปเขาส่งขึ้นเยอะอยู่ได้ไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปเดินไปอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็ต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนวิธีหาความสงบอย่างที่เทศให้ฟังอาจจะฝึกสมาธิให้มากขึ้นอมีวันพักก็อาจจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมอะไรหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ ที่มันสงบแล้วใช้เวลาให้กับการปฏิบัติแทนที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนเมื่อก่อนนี้พระเจ้าบอกว่ากามนี้มันเป็นเหมือนไฟไฟที่เผาใจเผาด้วยราคะโทสะโมหะใั่ไหมทําผัากับรูปเสียงกลิ่นรสมันจะเกิดไฟราคะความอยากขึ้นมาหใช่ไหมก็จะเกิดไฟอย่างโทสะโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาบางทีก็เกิดความหลงว่าไปยึดไปติดว่าเป็น เป็นสุขเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาอันนี้ถ้ามันเห็นแล้วมันก็จะไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าเพราะมันจะเผาใจเราอยู่กับความว่างปะสาศจากกามดีกว่า ใ, ใจสงบมีความสุขนั่นแหละถูกต้องนะ้เนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีอยู่นะลกกแล้วเรืายยา่องกินเล่าเมายาเรื่องเที่ยวเรื่องเรื่องอะไรแล้วนะไปอยู่คนเดียวหาที่สงบ ตาป่าตามเขาที่ไหนก็ได้เฝึกจิตให้สงบทําใจให้สงบอยู่เรื่อยๆดูซิว่ามันยังจะกลับมาหรือเปล่ามันไม่แน่หรอกเห็นครั้งเดียวเดี๋ยวมันก็มาเหมือนเป็นเหมือนน้าจิ้มก็ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอพอไม่ได้เสพการสักพักชักจะหิวขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้นะอย่าอย่าเพิ่งประมาทต้องคอยเฝ้าดูนั่งปฏิบัติต้องคอยเฝ้าดูว่าข่าศึกของเราตายจริงหรือเปล่าอย่ามันอย่าไปเชื่อว่ามันตายแล้วก็ปล่อยไม่ไม่สํารวม ไม่สำนวไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาได้ใหม่อย่างนั้นคอยระมัดระวังอย่าให้มันฟื้นขึ้นมาครับถ้ามันฟื้นเมื่อไหร่ก็ตัดมันทันทีฆ่ามันทันทีเลยพอมันดิ้นได้ขึ้นมาปั๊บตัดมันเลยอครับ่งคอยเฝ้าดูในใจเราอย่าประมาทครัสดีค่ะพระชายมีคําถาม จากผู้รับฟังธรรม น, นุกุติถามเข้ามาว่ากราบนะวัช ก, การพระอาจารย์กระผมเป็นมือใหม่ที่ฝึกปฏิบัติเจริญสติโดยนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธให้ใจสงบตามที่พระอาจารย์แนะนําในคลิปการเจริญสมาธิและขั้นตอนการภาวนาคําถามคือความรู้สึกที่มีความสงบตอนเข้าสมาธินั้นเป็นอย่างไร ที่กระผมปฏิบัติจะรู้สึกเหมือนวูบแล้วไม่รู้สึกตัวคล้ายหลับแบบนี้เรียกว่าเข้าสมาธิหรือไม่ครับเข้าเข้าสมาธิหลับเนี่ยคล้ายวูบเหมือนกับวูบด้วยไงมันต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คุยกันอยู่เนี่ไม่หลับแต่ถ้าหลับมันก็จะไม่รู้ว่า เ, <อ>เขาเขาจะมาพูดอะไรกันคุยอะไรอยู่ฟังก็แบบฟังไม่รู้เรื่อง <Yeah. S 2> สแสดงว่าหลับเข้าสมาธิก็มันจิตสงบ จะใจรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าอ๋อเมื่อกี้ใจเราวุ่นวายคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ตอนนี้นิ่งเฉยสงบสบายเย็นถึงจะเป็นสมาธิเจ้าค่ะจากผู้รับฟังธรรมนนากุติมีคนฝากถามมาค่ะว่ากราบเรียนพระอาจารย์ค่ะเป็นคนคิดลบขี้โมโหจะพัฒนาตัวเองอย่างไรจะได้หายจากอาการนี้ จะได้นําไปปฏิบัติเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนต้นก็คิดพุดโทโธไปก่อนพอแล้วมันคิดลบก็ลบมันด้วยพุโทโธไปพอคิดใจ ไ, ไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิดแล้วเราก็หยุดพุดโทโธแล้วต่อไปเราสั่งให้มันคิดทางบุกได้ให้มันคิดถึงเรื่องของการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวานาต่อไปแล้วจิตก็จะพัฒนาต่อไปตามลาดับ เจ้าค่ะจากผู้รับฟังธรรมานุติขออากาศพระาจารอธิบายการพิจารณาเวทนาในเวทนาให้ด้วยค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็เวทนาในเวทนาก็คือเวทนามันมีสามมันเนมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตอนนี้มันเป็นเวทนาอันไหนล่ะเวทนาสุขหรือทุกข์เวลาหิวข้าวนี่สุขหรือทุกข์เวทนาหิวข้าวก็ทุกข์ก็เวทนาเวลากินอิ่มแล้วอะไรทุกเวทนาหายไปแล้วใช่ไหม นี่อะไรเข้ามาแทนที่ก็สุขเวทนาเวลาที่ไม่หิวเวลาที่ไม่อิ่มเป็นเวทนาอะไรก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายอะไรนี้เป็นเป็นตัวที่ทําให้เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมาเวลาร้อนมากๆก็เป็นทุกขเวทนาพอได้อาบน้ําสบายสุขเวทนาก็กลับมาพอพอไม่ร้อนไม่ไม่ไม่เย็นก็เฉยเฉยก็เป็นไม่ทุกไม่ทุกเวทนา มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราสั่งมันได้ไหมบางทีเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เป็นเวลาปวดหัวขึ้นมาเนี่ยให้บอกให้มันหายไปต้องขายยามากินถึงจะหายวันที่กินแล้วก็ไม่หายก็ได้นี่ถ้าไม่หายก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทุกทางใจทุกที่อยากจะให้ทุกเวทนาหายไปอันนี้เราอย่าให้มันเกิดขึ้นเราต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันจะหายก็ปล่อยมันหายเองมันไม่หายเราก็อยู่กับมันไป จเ จ, กกจ้าค่ะจาก YouTube คุณเจลีถามเข้ามาว่าขอสอบขอสอบถามขอโอกาสครับควรฟังเทศอย่างไรถึงถูกต้องครับผมนั่งสมาธิหลับตาฟังแล้วหลับควรทำอย่างไรครับที่ผมหลับคือผิดใช่ไหมครับเวลาพระอาจารย์สุชาตินั่งฟังเทศหลงตาสมัยก่อนก็ต้องนั่งสมาธิหลับตาฟังใช่ไหมครับ คือหลบตาลืมตานี่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญอยู่ที่สตินี่หรือไม่สติเราจดจ่ออยู่กับการฟังได้หรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่จดจอ่อแล้วใจก็เผลอหลับไปไม่มีสติมันก็หลับได้ก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยมากเราก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆยิ่งขึ้นไปส่วนถ้าลืมตาลืมตามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงเนี่ยมันต้องมันต้องเปิดหูให้มันให้มันเสียงมันเข้ามาเยอะๆ ก็เข้าไปนั่งใกล้เสียงหน่อยก็ได้ถ้าเสียงมันค่อยไปก็เปิดเสียงให้มันดังขึ้นเพื่อที่จะได้ฟังได้ชัดเจนถ้าเสียงมันค่อยแล้วมีเสียงอื่นมารบกวนหรือมีเรื่องอื่นมารบกวนมันอาจจะทําให้ไม่ได้ฟังเสียงก็ได้แต่ถ้าหลับก็แสดงว่าอาจจะฟังเวลาไม่ไม่ควรจะฟังก็อย่าไปฟังตอนที่เพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆถ้ากินอาหารเสร็จใหม่ๆมันง่วงมันจะหลับง่าย ต้องามาฟังตอนที่ไม่หิวตอนที่ตอนที่ไม่อิ่มไม่อิ่มไม่หิวกําลังดีถ้าหิวฟังก็มันก็ฟังไม่รู้เรื่อ ง, เ, องเพราะมันจะคิดถึงเรื่องอาหารถ้าอิ่มมันก็จะอิ่มแล้วมันก็จะสบายมันก็จะไม่ฟังมันก็จะหลับฉะนั้นต้องหาช่วงเวลาที่มันสบายสบายกลางๆไม่หิวไม่อิ่มตรงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่จะฟังทําได้ประโยชน์กว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สติของเรา ถ้าสติเรายังมีน้อยก็ต้องพยายามฝึกสติในระหว่างวันให้ได้มากขึ้นพยายามฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่จำเป็นจะต้องคิดให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับงานที่เราทำเจ้าค่ะมีโยมถามเข้ามาทางอินบ็อก กับเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิจําเป็นต้องนํามือขวาทับมือซ้ายทุกครั้งไหมคะปกติโยมจะนํามือคว่ำวางบนหน้าขาบางครั้งไงฝ่ามือตําแหน่งการวางมือสําคัญต่อการทําสมาธิอย่างไรคะและท่านแนะนําให้วางมืออย่างไรคะก็ไม่สําคัญเท่ากับสตินะจะวางในท่าไหนก็ได้ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาวางไว้ตรงไหนก็ได้ข้อสาคัญก็คือให้มันสบาย แล้วมันไม่ต้องไปกังวลกับมันก็นแล้วกันใช่ค่ะจาก youtube ของทางช่องดรวีเจ้าค่ะปรับเย็นฐานครับหากผมพิจารณาร่างกายตนเองจนร่างกายพังและจิตไม่กลับไปพิจารณาในร่างกายตนเองได้อีกแต่ทําไมจิตยังไม่วางจากกามอารมณ์ยังมีคู่ครองอยู่ครับก็ยังพิจารณาไม่ไม่เห็นชัดไงไม่เห็นว่าคู่ครองเราเป็นอสุภะ ยังไม่เห็นอาการสามสิบสองไม่เห็นว่าเป็นซากศพเดินได้ถ้าแฟนเราเกิดไม่มีลมหายใจวันนี้แล้วยังจะเห็นว่าเขาสวยเขางามหน้าลากหน้า น, านอนด้วยหรือเปล่าถ้ายังเห็นว่าหน้าลากหน้านอนอยู่ก็แสดงว่ายัางไม่เห็นด้วยปัญญาแต่พอไม่มีลมหายใจปั๊บทาไมเห็นชัดเลยขึ้นมาทันทีเพราะยังมีลมหายใจอยู่นี่ยังยังไม่เห็นว่าเขาเป็นซากศพ พอห ย, ยู่หยุายใจเมื่อไหร่ปั๊บนี่กลายเป็นสร้างศพขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ก็ต้องไปฝึกถามตัวอเองดูว่าเป็นอย่างไรถึงยังหลงอยู่ได้อยู่กับสร้างศพแท้ๆแต่ถ้ามีลมหายใจอยู่นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นสร้างศพแต่พอไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ปั๊บนี่ถือเป็นสร้างศพขึ้นมาทันทีเลยเจ้าค่ะจาก facebook เจ้าค่ะจากคุณนักสู้นิรนามสอบถามพระอาจารย์ครับ วันนี้เกิดแผ่นดินไหวกระผมอยู่ในตึกแล้ววิ่งไปอยู่ข้างเสาอาคารแล้วภาวนาไปด้วยแ ต, แต่อาคารเกิดสั่นรุนแรงแล้วกระผมรีบวิ่งออกจากตึกแบบนี้ถือว่าขาดสติไหมครับรู้สึกได้เลยว่าสอบตกเพราะความกลัวครับก็อยู่ที่กลัวหรือไม่กลัวถ้ามีสติก็จะไม่กลัวแต่ก็หนีได้แต่หนีด้ด้วยสติคือไม่ตื่นตระหนกก็หนีเพื่อความปลอดภยัย แต่ไม่ได้หนีด้วยความกลัวแต่ท่านหนีเพด้วยความกลัวหนีแบบตาลีตาลานไม่มองซ้ายมองขวาวิ่งไปชนคนนั้นวิ่งไปชนคนนี้ก็แสดงว่ากลัวไม่มีสติแต่ถ้าไม่กลัวแต่ก็หนีได้ไม่ใช <t> ่ไม่ให้หนีถ้ายังหลบได้ก็หลบยังหลีกได้ก็หลีกหนีได้ก็หนีแต่ถ้าหลบไม่ได <RC> ้ห <beğ> ลีกไม่ได้หนีไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละยอมตายไปถ้าไม่กลัวก็ไม่ไม่หนี ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่เลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างคนหายไปเยอะเลยแล้วมันผ่นดินไหวเท่าไหร่นะเจ้าค่ะ อ, อ๋อมีผ่นดินไหวที่กรุงเทพหรือเจ้าค่ะประมาณ 4.9 ลิตรต่อ 4.9 แค่นั้นเองที่อื่นก็ 7.7 8ดเขาก็ยังไม่ตื่นเต้นตกใจเหมือนเรามีตึกถล่มเลยเลย เจ้ค่ะที่ถนนกำแพงเพชรเจ้เาค่ะออืเป็นอาคารของสำนัก ง, งานตรวจเงินแผ่นดินที่เพิ่งสร้างใหม่ออืที่ยังไม่เสร็จสามสิบชั้นค่ะมีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะอาจารย์ถ้ารักษาสินแปดแล้วจิตไปคิดเรื่องการสินแปดจะพร่องหรือขาดไหมคะควรทำอย่างไรถ้ายังไม่ไปเสรกางวันยังไม่ผิดยังไม่ยังไม่ผิดก็ควรใช้พุโทโธระงับอย่าไปคิดถึงมันไม่ใช่อสุภาษ คิดถึงอสุภะแทนมีถึงซากศพคิดถึงอาการสามสิบสองของร่างกายความอยากจะเสพการมันก็จะหยุดได้อต่ถ้าเรายังไม่ไปเสพการกว่าใครก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลอ่ามีคำถามต่ อ, อมีวิธีต่อสู้กับกิเลสที่ทําให้ง่วงอย่างไรคะก็วิธีแรกก็คือกินน้อยๆเช่นถือศีลแปดไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วอีกวิธีก็ไปนั่งไปอยู่ที่มันน่ากลัว ไป อ, อยู่ที่ป่าชา้าเวลาอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมในป่าชา้าอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่ในป่าชา้าไม่รู้ความกลัวความง่วงไม่รู้หายไปไหนหมดความกลัวมันเข้ามาแทนที่ค่ะการสร้างบารมีกับการสร้างบุญต่างกันอย่างไรคะอันเดียวกันอนะมีชื่อต่างกันนั่นเองนามสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีสตรอรี่จะมาเล่าให้ฟังเจ้าค่ะเมื่อวาน เจอคนจีนน้าเกดจะขึ้นเครื่องเขานั่งสูุรี่ไฟฟ้าทีนี้ยมคิดว่าอุ๊ยแจ้งความดีกว่าเจ้าค่ะแล้วตำรวจมาสี่คนแล้วเขาก็หนีแล้วเขาไปเปลี่ยนเสื้อมาด้วยเจ้าค่ะแต่ด้วยความที่ใจเราคิดว่าเราจะต้องจับนะเจ้าค่ะเราก็ตะโกนบอกตำรวจว่าโอ้ oh, มันมีแททูไอเนี้ยแล้วมันเปลี่ยนเสื้อมาแล้ว แต่พอสักพักหนึ่งเห็นตำรวจลุมเขาก็รู้สึกตกใจเพราะว่าสงสารเขาเจ้าค่ะแต่แรกก็คิดว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแต่ว่าเอไม่รู้จะยังไงเจ้าค่ะจะวางใจยังไงดีเจ้าค่ะก็มันก็แล้วแต่ว่าเขาเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นมากน้อยเพียงไรหรือไม่ถ้าก็มีอันตรายต่อผู้เราอาจจะต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่นถ้าเห็นงูเห็นเสือออย่างนี้ล้วก็ต้องบอกคนให้มาช่วยจับแต่ถ้าเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแค่เพียงแต่เขามีความบุหรี่เท่านั้ก็ก็ปล่อยเข้าไปให้เขาตํารวจเขาเห็นเองเขาจับเองก็ได้จะดีกว่าเจ้าค่ะเขาน่าจะไม่ดุหรอเจ้าค่ะคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราใช่เจ้าค่ะเขาบางทียังติดอยู่เขายังอดไม่ได้เราเราอาจจะไปติดอะไรขึ้นมาเรายังอดไม่ได้แล้วคนอื่นเขาอาจจะไปบอกเจ้าหน้าที่มาจับนํามันก็มันก็ อาจจะเกินก่อยเหตุนิดหน่อยนะอันไหนพอจะมีความเมตตาต่อกันได้ก็ให้มีความเมตตาต่อกันดีกว่าเจ้าค่ะแล้เข้าใจว่าช่วงนี้โหดไปนิดหนึ่งเจ้าค่ะจะลดลดลงเจ้าค่ะแต่ถ้าเขาถ้าเขาเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อนก็ควรที่จะหาวิธีป้องกันเจ้าค่ะมีอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะฟังรายการช่องอาจารย์ยอดเจ้าค่ะแล้วก็อาจารย์ยอดเล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์ของพระอาจารย์สุชาติ เป็นคารวะไปทุดงอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าคะ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้มาบอกเราเลยเอ๋อโยไปทุดงแลเคยมาบอก <ไป S 2> เราไปทุดงแล้วแบบเจอน้ําป่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอ๋อไม่รู้เหรอแล้วแต่เขาอันนี้อย่าอย่าอย่าให้เขามาแอบอ้างเราไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องของคนอื่นเจ้าคะ่ะจะถือว่าเป็นนิทานเจ้าคะ่ะเออนิทานฟังหูไว้หูก็แล้วกันเจ้าคะ่ะถ้าจยา์หนูคือคนที่กลัวตกนรกแล้วพระจานทร์บอกว่า ไม่ตกแล้วก็ด <G Earlier cold light> ีถ you know, <You> ้าถ้ากลัวก็จะไม่กล้าทําบาปถ้ากลัวถ้ากลัวแล้วยังทําบาปอยู่ก็ยังตกนรกอยู่เจ้า่าแต่ว่าเมื่อกี้พระจันเทศเรื่องคนแต่งตัวหนูเอนจอยดูแฟชั่นวีคมากเลยเจ้าค่ะหนูชอบดูคนแต่งตัวมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่าหนูไม่มีตังค์ซื้อหนูก็แค่ชอบดูแล้วก็อยากจะถอนถอนออกมาหนึ่งตอนนี้ไม่ดูแล้วมัต้องดูดูสร้างศพเดินเดินมาเจ้าค่ะหมดคําถามแล้วขอบขอบขอบคุณเจ้าค่ะ คำถามจากคุณยี่สิบสี่เจ้าค่ะก้าบนิััการพระอาจารย์สอบถามว่าจิตที่เกิดดับและขณะนี้สามารถรู้สังเกตเห็นได้ไหมคะมีลักษณะอย่างไรเอาจนได้ต้องมีแว่นกระจกสองใจกระจกสองใจก็คือทรรมเราต้องศึกษาทรรมและปฏิบัติธรรมเมื่อเราศึกษาปฏิบัติทมแล้วเราก็จะเริ่มเห็นใจของเราเพราะเราจะมีกระจกมองมองใจเรา กระจกที่ยังมองใจก็คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็ปล่อยให้ญาติโยมกลับไปบ้านเลยก็ได้นะเผื่อจะได้ดูว่าบ้านเสียหายหรือเปล่าบางทีมีญาติโยมคู่หนึ่งาขอกลับก่อนนะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันเกิดก็เกิดนะมันเราห้ามมันไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความตื่นตระหนกใจของเรา รักษาให้มันสงบไว้ดีกว่าเพราะของภายนอกเราฮะเรารักษาไม่ได้หรอกวันใดวันหนึ่งมันก็ยังต้องมีเกิดมีดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่รักษาใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนการสนทนาธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด